อิเมขบนายะสมันตทเวนวุติปาจิติยาธรรมอุเทสังอาคชาันตตีสัมบัชานมุสะวัเทปาัญจิติยังโอมะสวเทปาจิติยังเิโขเปสุเนปปจิติยังโยปนาเปขอนุบสัมปันังปัสสะัมังวัจยัปปัจิติยังโยปนาเปขอนุบสัมปันเนน อุตติริทวรัตติรัตตังสหสัยยังกับไปยะปัจิติยังโยปนะนเบกุมาทุขามเหนาสหัสยยังกับไปยปัจิติยังโยปนันเบกุมาตุขมัสสะอุตริจัปปัญจวัจจหิทมังเทสัยยังอัญะตรวินุนาบริสวิกะเหนาปัจิติยังโยปนันิบกุอนุบสัมปนะสะ อทารมนุสธรรมังอารเจยยผู้ทัมิงปาจิติยังโยปนภิกขุภิกุสาตทุตุหลังอาปติงอนอมบสัมปนัสสัอารเจยยอันยตรภิกุสมาจิยังโยปนภิกขุปัทวงขัายวาขนะปายวาปาจิตยังมุสาวทวโคปัทมุูตัมปาตพยตายปาจิตยัง อันยภาวะเกวิเหสเกปาจิตยังอุชาปนักกขี่นักกปาจิตยังโยปนนภิกุสังที่กังมันจังวาปีทั้งวะปีสิงวโกุชังวาอจโชกัสสันธริตตวาวะสันทราปิตวะวะตังปะกัมันโตเนวะอุทรยังนาอุทราปยะอนาปุชังวะขัชยรปาจิตยังโยวปนนภิกุสังที่แกวิห้ารเ ใช่ยังสันธริตวาวาสันธราเปตวาวาตังปกขมันโตเนวะอุทเรยาณุอุทราปยาอนนาปุชังวคัจฉยะปัญจิติยังยิโอปนาปิโกสังขิเกวิหาเรชานังปุพหูปักตังปิคงอนุปคัชใส่ยังกับปิยายาสสัมผาโทภวิสติโสปักมิสติเตเอตัดเทวะปัจเจยังกริติวะอนันยังปัญจิติยัง โยปนาปิคูปิคุงกุปิโตอนัตตมโนสร้างขีกาวิหารานิกัตไยาวานิกัาปยาวาปาจิตยาโยปนาปิคูสร้างกวิหาเรอุปริเวหาสกุติยาอาหัจจปาทกัมันจังวาปีทั้งวาอภิซิยาวาอภินิปัชไยวาปาจิตยงมหลกมปนาิกุนาวิหารังการยมาเนะ ยวัฏทวารโกษาอาการลธาปนญายาโลกาสันเทปาริกมายาทวีติจัตนาสัพปริยาอย่างอภาริเตติเตนะอาทิต h, h aya, aya, ang, ah ite ite a h hang, t ah h a b ตัตโตเจอุตริงอภาริเตปิติโตอาทิตเถยะปัจิติอย่างยาวนนาปิโกชา낭สปานักัง โอทักกังตินังวามัตติกังวาสินเจยาวาสินชาปยวาปาจิตยงภูตคามวะโคทุติยนยอบนาเปิกุอสศมัตโตเิกุนิโยโอวทยปาจิตยงสมัตโตเปเจเปิกุอาทังฆเตสุริเยปิกุนิโยโอวะทยยะปาจิตยังเยอนาเปิกุเปิกุโนปสยังอุปันสังกมิตรวาปิกุนิโยโอวทย อันยัตระสมัยปาญจิติยังตถาอย่างสมัยโยคิลานาโหติภิกุณีออยังตถสมโยโยเยอบนาภิโุเอวังวัฏายะอามิสเแหตุภิกขุภิกุณิยโยโอวะทันติติปาญจิตยังโยอบนาภิโุอัญยติกกายภิกุณียาจีวรังทัฏยะอันยัตระปาริวัตคภาพิจิตยัง โยปณภิคูอัญยติกายปิกุณิยาจีวรังสิพยาวัสสิภะปิยวาปัจจิติยังโยปณภิคูภิกุณิยัสัธิงสังวิทยะเอกทานมคังปฏิปัชชยาอนนามะโสขมันตรัมปิอันยตรสสมยยาปาจจิติยังตถาอย่างสมัยโยสัทธรรมอนิยโหติมโกสาสังกัสมาตสสะปฏิภโยอายังตถาสมัยโย โยปนะปิกุปิคุณิยะสัทหิงสังเวทายะเอกังนาวังอภิรูไหยะอุทคขามนิงวาอัตขามนิงวาอัญญตระติริยันตนะนายปาจิตติยังโยปนะปิกุชาณังพิกุณิปริปาจิตังปินปาตังพุญชยะอัญญตระอุเพกิหิสมารมาปาจิตตยังโยปนะปิกุปิคุณิยะสัทหิง เอกโอเอกายรหนิสัจังกปยาปาจิตติยังโอวาทวโคตติโยอคิลานีนาภิกุนาเอกโออวสสะพินโดปญจิตตโพตตโตเจอุตเรียงพุญชยปาจิตติยังขณะโพชเนอญญยัตระสมยาปาจิตติยังตถาอยังสมโยคิลานสมโยจีวรธานสมโยจีวรกาลสมโยอัฐานคมนสมโย นาวาเพรุหณะสมโยมหะสมโยสมณภัตตะสมโยอายังตัทธสมโยปรัมบรัพโชนอัญยตรัสมียาปาญจิตติยังตัทธายังสมโยขิฬานสมโยจิรธานสมโยจิรักราสมโยอายังตัทสมโยภิกขุปเนวากุลังอุปกตังปุเอหิวะมันเทหิวะอภิหทุมปวารายา อาการขมาในนาพิคนาทวติปัตตะปุระปติกเหตตาพัตตโตเจอุตริงปฏิคันให้ยะปาจิติยังทวติปัตตะปุเรปติกเหตตวาตตโตนฮาริตวาวิภูหิสติงสังวิภัจตะพังออยังตตัสสามิจิโยปะนาภิโกปุตาวิปวริโตอนัตตริตังขาทนิยังวาโภชนียังวาขาทยวาปุญญยวาปาจิตติยัง โยปนภิกุภิกข o พุทตาวิงปวาริตังอนัตติริเตนะขาทนิเยนวาโพชนิเยนวาอภิหทุมปวารัยยังทนทาิกุขาทวาพุญชาวาติชางอาสาธนาเปโขพุทธสมิงปาจิตติยังโยปนภิกุภิกาเลขาทนิยังวาโพชนิยังวางขาทายวาพุญชยวาปาจิตติยัง โยปนาปิกุสัมนิติการการคาทันิยังวาโพชนิยังวาคาทยาวะพุญชยาวาปาจิตติยังญาณิขปนาตานิปนิตาโภชนานิสยทิทางสปินะวะเนตังเตลังมโตภานิตังมาชฌมังสั่งคีรังทัธิโยปนาปิกุเอวะรูปานิปนิตาโภชนาณิอากิลลานุอัตโนอัตัยะวิญญาเปตววาพุญชยะปาจิตติยัง โยปณนาปกุอัตินงมุขทวารังอาห์รังอาหารยาอันยัตระอุทักทันตพโณปาญจิติยังโพชนาวโฌจตุทโหนโยปะนาปิกุอจิลกขสาวปริภาชกักสาปริภาชิกายวาสหัทธาคาตันิยังวาโภชนิยังวาทัทยะปาญจิติยังโยปะนาปกุเอวังวัฏยา เอฮาวโซขมังวานิขมังวาปินนายะปวิสิตสัมมาตีตัสสะทาเปตววาอัตถะเปตววาอุโยชยยาขะชาวโซนุเมตยาสัทถิงกะทาวานิสัชชาวะพาสุโหตีเอกกัสเมกะทาวานิสัชชาวะพาสุโหตีตีเอตตเทวปัจจยังกฤตตาวะอนัญยังปัญจิตติยังเยอปนนาเปโขสภโชนกุเล อนุปัชชะนิสัชังกปิยะปัญจิติยังโยปนะเบกุมาตุคาเมนะสัทหิงระโหอปฏิชนในอาสนเนนิสัชังกปิยะปัญจิติยังโยปนะเบกุมาตุคาเมนะสัทหิงเอโกเอไกยระหนิสัชังกปิยะปัญจิติยังโยปนะเบกุนิมันติโตสภัตโตสัมมโนสัมตังเบกุงอนาปุชาปุเรภตังวาปัชชาปุเภตังวา กุเลโสจาริตังอปัจจะยะอันยตระสมัยปาจิตยังตถาอย่างสมโยจีวระธานสมโยจีวระการสมโยออย่างตถสมโยออคิลานินาิกุณาจตมาสะปัจจยปวารนาสัติตัพหัอันยตระปุนาปวารนัยะอันยตระนจจ๊ปวรนัยยตตโตเจอุตังสาติยยะปาจิตยัง โยบนาบิกุอุยุตังเสนังทัศนายคักขเชยาอันยัตระตทธารูปปัจจะยาปัญจิติยังสิยาจตัสสะพิกุโนโกจิเทวปัจโยเสนังคมณียาทวีรตติรัตตังเตนาพิกุนาเสนายาวสีตาภังตตโตเจอุตตริงวัสยปาญจิติยังทวีรตติรตตัเจพิกุเสนายาวสัมโน อยโยที่กังวาพละคังวาเสนาพายุหังวาอเนกะทะนาทัศนังวาคัดชยปาจิตติยังอเจลอกะวะโคปัญจโมอุสุราเมริยปาเนปาจิตติยังอังโฆลิปโตทกเ ก, ทกมมปาจิตติยังอุทเกหาสะธรเมปาจิตติ ย, ย, ยังอนานธรเยปาจิตติยังเยอบนาปิโกปิุงผิงซาปยปาจิตติยัง โยปนะเบกุอคิลาโนวิสิปนาเปคโชติงสมาตาให้ยวะสมะตาหะปยาวะอัญญัตระตทธารูปปัจเจียพันจิติยังโยปนะเบกขโอเรณธรรมสังนะหย่อยยัอัญญตระสมยยพันจิติยังตัทธายังสมโยธิยธโทมโสเซโสคิมหันติวัสานัสะพัธโมมาโสอิเจเตอัฏฐเตยามาสาห อนหาสมิโยบริลาหาสมิโยคิฬานาสมิโยกรรมสมิโยอัฐานะขมานาสมิโย ว, วาตาวุตติสมิโยอยังตถาสมิโยวนวัมบนาภิกุนาจิวรละลาเพนตินังทุพนากรณานางังอัญยะต า, า, า, า, า, า, ตาลังทุกพนากรนานาัถาตพังนิลังวากัตมังวากาลสมังมวาอนาทาเจภิกขตินังทุพนากรณานัง อันยตตรังตุปนังการนังนวังจีวรังปริพุนเชยียปาจิติยังโยปนะปิกุปิคุตสวภิกุณิยาวาสิข ม, มานายวะสมเนรสสาวาสัมเนริยาวะสมังจีวรังวิกัาเปตาวะอาปัจจุธารังปริพุนเชยียปาจิติยังโยปนะปิกุปิคุตสาปตังวาจีวรังวะนิสิทนังวาโสติครังวากายพันทนังวา อปาณิทัยวะอัปาณิธาปยวะอัณมัสโซหัสสาเปข้ปิปานจิติยังสุราปานวะโคชะโทอนโยปะนาเปกุสังจิตจักปานังชีวิตาบโรุปายะปันจิติยังโยปะนาเปกุชาณังสปานักังอุทกังบริพุนชียปานจิติยังโยปะนาเปกุชาณังยถาธรรมังนิหตาธิกรรังปุณะกามยะอุโกตยะปานจิติยัง นีอปปนาปิโกปิโกสะชา낭ตุตุหลังอาปติงปฏิชาทยาปาญจิตยังนี้โอปนาปิโกชาน낭โอนาวิสติวสังปุขคลังอุปสัมปทาทัยยะโสจะปุขหลอนุปสัมปันนน์แต่จะปิโกขาไราห้าอีทางตัสมิงปาญจิตยังนยอปนาปิโกชานั낭ทายาสเถนะสัทงซังวิทายะเอกทานามักังปฏิปัชย์ยะ อนัมโมขะมันตรมปิป so ังจิติยังเยาวปนาภิกุมาดุขาเมนะสัทหิงสงวิทยาเอกทานมักังบริปชัยยังอนัมโมขะมันตรมปิปังจิติยังเยาปนาบิกุเอวังวัทย์ยังตถาหังภควัตตาธรรมเทศิต e ังอาชานามีะยธาเยเมอันตรายิกาธรมมาวุตตาภควัตาเตปะติเสวะโตนาลังอันตรายายาติ โสภิค so, e e nah nah ุภิคุเหวามัสสวจเนยมายสมาเอวังอวจามาพระกาลตังอภ aja คีนหิสาตุพระวตโตอภคนังนหิพระวาเอวังวัฏยาอเนกปริยาเยนเอาสุอันตรายกาธรรมวุตตาพระวตาอลัจัปนัเตปฏิเสวโตอันตรายญาติเอวันจัโสภิคุภิคุเหวุจมานตเทวะปะคันให้ โสปิคุปิุหิยาวตาริยังสมโนภาสิตโพตัสัตินิสัายยาวะตายัเจสมโนภาสิยะมโนตังตินิสัจชายอิเจตังกสลังโนเจปตินิสัจชยปัจิติยังยอบนาปิโกชานัตทวะทินาปิคุณาอกาานุธรมเณตัณิทงอปตินิสัทธนัสัทงสัมพุญชยาวาสังวัสยวสหวาสยังกัปยะปัจิติยัง สมนุตเทโสปิเจเอวั ง, งวัยหายาตถาหังภควัตตาธรรมังเทสิตังอาชานามิเหยทาทายเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตาวตาภควัตตาเตปาริเสวะโตนัลังอันตรายญาตยิโสสมนุตเทโสปิคุหิเอวมะสาวัจนิโยมาเอาโสสมนุตเทสะเอวังอวัจจามาภควันตังอภาจิกิ นาหิซาโตภะวาตโตอปะคานางนหิภควาเอวังวัฏยาอเนกปริยาเยนะอวสโสสมนุตเทสาอันตรายกาธรรมาวุตตาภควาตตอลัญจปานาเตปริเสวะโตอันตรายยาเตเอวันจโสสัมนุตเทโปิคุหิวุจมานโนตเทห่วะปะขันใหยาโสสัมนุตเทโสปิคุหิเอวมัสวัจเนโยอจฉาตเขเตอวโสสัมนุตเทสา นาเจวะโซภควาสัทถะอาปาทิสิตาโพยัมปิจันเยสมาโนเทศะละพันติภิกขุหิสติงทวีตตติรัตตังสหัสยังสาเปตนนติจระเปเรวินัสาติโยปนวะภิกขุชาณังตถานาสิตังสมนุตเทสังอุปละปิเยวะอุปทัปิเยวะสัมพุนชัยวะสหวาสยังกับปิยปาจิติยังสปานวะโคสตมุล โยปนนาภิกขปิกุหิสหธรรมกังวุจจมานเอวังวัฏทยะนาตวหังอวสอเอตัสเมสิก้าปเทสิกิษามียาวะนันยภิกขุพยตังเวเนยะทังปริปุชามีตีปัญจิติยังสิกมาเนนาภิกเเวภิกุนาอญญาตพังปริปุจิตตพังปริปันหิตตพังายังตถาสามีเจโยปนภิกขปาติโมขใหอุทิสมาเนเอวังวทยา ทิมันมีเหตกุตานุกุทธเกี่ยห์ศิขะพทธหอุทิศเทห์ห์ยาวัฒห์ยวะกุกุจชะยาวเวห์สายะวิเลขายัสังวตันตีตีสิขะพัทธ์วิวรรณนาเกปาจิตยังโยปนะเบกุอันวัฒมาสรังปาติโมคเเฮอุติสัมมาเนเอวังวัฒไหยาอิธานวะโคอังอาชานามิอัยมปิกิรัตมสุตักขตสุตักปริยปโน อันวัฒมาสังอุทเทสังอาภัสชะติติตัญเจปิคุงอันเยปิคู้ฌนในโยงนิสิ น, นาปุพังอิมีนาพิคุณาทวติขะโตงปาติโมกให้อุทิสมาเนโกปนาวาทาัทภิโยตินาจตัสสาภิคุนอันญาณเกณามุติอธัธิยัญจตตาอปาติงอาปันโนตัญใจยถทะทะาธรมโมกเรติตบโพอุตริญจะสมโหอารูเปตบโพ ตาสเตอุสอัลลาพาตาสเตทุลัดทางยังตวังปาติโมคแห่อติสมาเนนาซตุกังอธิคตะวามานัสิกโรุสิเตอิทังตาสมิงโมหะนาเกปาจิติยังโยปะนาเบคเปกุสะกุปิโตอนนัตตมโนปะหารังทัทยะปาจิตยัง โยปนะปิกุปิกุสากุปิโตฯอนาตมโนตละสติกังโอเคระยะปัญจิติยังโยปนาปิกุปิกุงอมุลเกนาสังขดิเศสนะอนุทังสยยะปัญจิติยังโยปนะปิกุปิกุสาสันจิตจกกุกุจังอุปัฏฐายเอติสามหตัมปิอภาสสุภวิสติตเอตาเทวะปัญจยังกฤตทวะอนันยังปัญจิติยัง โยปนาปิกุปิกุนังพันดาชาตานังกะลาหาชาตานังวิวาทา์พันนาณังอุปัสสุติงติเทียยังอเมผานิสันติตังโสสามิติเอตเทธวาปัจจยังกฤตทวะอันนั้นยังปาจจิตยังโยปนาปิกุทำให้การนังกรรมนังฉันทังทัตว์ปัจฉกิยานธรรมังอปัจชายปาจจิตติยังโยปนาปิกุสังเขวินิชยากัฏฐานวัตมานายา ฉันทางอัตตวะอุทธายาสนาปกมัยะปาจิติยังโยปณนาปิโสมักเคนสังเคนะจิวังทัตวปัจจักียะนัธมังอปัจชัยยะยะทัสสะถุตังปิโกสังกิการลาภังปรินาเมนติปาญจิติยังโยปณนาปิโชานังสังกิการลาภังปริณาตังปุขละสักปรินาเมียปาญจิติยังสหธรรมิกวะโคอัตโม โยปนาปิกูรันโยคาติยสัมมุทธาภิสิตัสสะอนิคันตราชเกออนิคตารัตนเกปุเภอปฏิสังวิธิตอินทขิลังอติกรมยัปปัญจิติยังโยปนาปิกูรตนังวารัตนสมตังวาอัญยตระอัชชารามาอัชชาวัตถาวาโอขันให้โยโอขันห้าปเยวาปัญจิติยังรัตนังวาปนาภิกุณารัตนสมตังวา อาชาราเมวาอาชาวะเทวาอุคเเหตตววาอุคันธาเปตตววาเนกิปิตพังยัสสาวิสติโสหริสติติอายังตัถาสามเอเจโยปนาเบโกสันังเบคุงอนาบุเชาวิกาเลขมังบวิไัยะอัญญตราตัถารูปาอาชาหิกากรณียาปาจิติยางโยปนาเบโกอาทิมยังวาทันตมยังวะ วิชานมะยังวาสุจิขะรังการาปยะเพทนากังปาจิติยังนวัมปนาบิคุณามันจังวาปีทั้งวันการยมาเนนะอัตถังคุลปาทิการะเรตะปังสุขะตังคุเลนะอัญญัตระเหติมายะอัตานิยาตังอติกามิยะโตเชตนากังปาจิติยังโยปนาบิคุมันจังวาปีทั้งวานตโลนัตังการาปยะอุทาลนะกังปาจิติยัง ในสิทธนสันตตัมปนาภิกุณาการิยมาเนนัปมาณิกังกาเริตพหังตตริตังปมานังทีกโสทเววิทัติโยสุขตวิทัติยาเตอริยังที่ยัตังสาวิทัตถีตังอติกามยโตเชธนากังปจัญตียังการดูปฏิชาทิ่งปนาภิกุณาการิยมาเนนัปมาณิกากาเริตพหัตตริตังปมานังทีกโสจตัสโสวิทัติโย สุขตาวิทัทถิยาติริยังทเววิทัทถิยนตัอติกามยิยโตเชตนก า, ต า, ก, ากังปาจิตตยังวสิกาสาติกามปนาภิกขาุานากาเรยามานีนะปมาณิกากาเรตพพาตตริตังบามานังทีกัโซชาวิทัทถิยสุขตาวิทัทถิยาติริยังอัฏาติยาตัณฑิกามยิยโตเชตนากังปาจิตติยัง โยปนาเบโคสุขตะจีวระปมานังจีวรังคาราภะอิยาอตรีกังวาเชตนกังปัญจิติยังตัตริทังสุขตัสะสุขตาจิวระปมานังทีกโสณววิทถิโยสุขตาวิทัติยาเตริยังชาววิทัติโยอีทางสุขตัสะสุขตาจีวระปมานังรัตนวัคโณนาอโมอุทธิท้าโคอายสมมันโตทเวนนวติปาญจิติยาธรรมา ตถาญติมันแต่ปุชฌามิกัรจิตถาปริสุทธาทุติยมปีปุชฌามิกัรจิตถาปริสุทธาตติยมปีปุชฌามิการจิตถาปริสุทธาปริสุทธทธายสมันโตตสมะตุนนหหีเอวัณเมตังทาระยามิปาจิตติยานิธิตา